พรหมจะโลกาที่ปติสัมพันธ์ตัดอันเฉลี่อันที่วรรณะยากจะทา สันติทัสันตาปาราชักขาชาติกาเทเสตุทัมมังอนุกัมปิมังปะชังะมต พะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัตตาพะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสตาพะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัจ้าปุทตังธัมมังตังคัง เหตมัจจาตัมะปริยัติจอรถโทชาตายาตมันเจเหตุกัจจังธรรมโมโสตโบตนะโอกาสวันนี้เราที่เป็นชาพุทธได้มีพิธี ประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเช้ามาหนึ่งรอบรอบบ่ายบ่ายรอบเที่ยงมีอีกหนึ่งรอบเพราะรอบเมื่อเช้านี้ก็ทำพิธีเป็นหลายวิธีให้ทาน อธิษฐานเศนแล้วก็ทอดผ้าป่าบางส ก, กุลถาวายเทียนข้าวพรรษาก่อนเข้าวพรรษาอันนี้เป็นพิธีขนมตำเนียนเล่มามำนานเพราะคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าพระองค์วางไว้ให้จ้าพุทธได้ทำตาม หลายหลายวิธีถาวายผ้าป่าถาวายเทียงข้าภันสาก่อนข้าวันษาก็หาวิธีทําบุญให้มันมากขึ้นหน่อยถาวายเทียนนี้ก็มีประโยชน์กับพระตามชนบทง่ายขึ้นเพราะต่างจังหวัดเนี่ยถ้าพูดถึงภาษา เข้าใจง่ายๆ่าก็บ้านนอกหาของยากแม้แต่เทียนนี่ก็หาเล่มใหญ่ใหญ่เนี้ก็ยังยากอยู่เลยเพราะอะไรเพราะจาบ้านบางแห่งก็ไม่สมบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติถ้าพูดถึงทรัพสมบัติมาจากอะไรก็มาจากวิธีเราให้ทานเสียเจา่าะ เป็นพื้นฐานไว้จะเป็นเหตุให้เกิดสมบัติได้ในชาติต่อไปอันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าวางไว้ถ้าหากเราเคยให้ทานเท่แตละของที่เรามีอยู่เพื่อเป็นการเทิดทูนหรือบูชาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหตุให้เป็นได้สงเคราะห์ คนที่อยู่ในสถานที่ที่มีทรัพย์สมบัติไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นเหตุให้คนีถวนั้นได้อยู่สบายหรือแม้แต่พระก็สะดวกเพราะต้องการแสงสว่างแต่เมื่อเราให้ไปแล้วอันนี้จะเป็นนูภาพให้เรายาวไปถึงไหนยาวไปชั่วอายุข ถือพูดเป็นภาษาตำราหน่วยครับยาวไปตนตลอดที่เรายังเกิดแจ็เก็บตายอยู่ในโลกอ น, นี้จนถึงชาติตุดท้ายอย่างพระอนุรุทธะเนี่ยพระอนุรุทธะเนี่ยมาเกิดพร้อมตามหมยพระโคโดมพระจิททัตตาเกิดในตระกูลกษัตริย์คนนี้เขาก็เคยเป็นคนจ น, จน ไม่เป็นคนรวยในสมัยก่อนในชาติหนึ่งแล้วก็มเมทตาแก่ก้าหาวิธีไปทำความดีพิเศษในชีวิตเขาไปทำอะไรป้าอนุรุทธะในอดีตป้าอนุลุธทธะนี่ก็ไปหาอะไรพอให้มันสว่างได้ก็ามาจุดบูชาบูชาอะไรไม่ใช่บูชา องพระพุทธเจ้าบบชาภาษาลีริกาธาถือบูชาธาต์เกดีทีทบ จ, จุอธิธาต์ของพระพุทธเจ้าองหนึ่งในชาตินั้นแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาเวลาไปทำไม่ใช่ไปจุดแล้วสาธุจุดแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานในเจตว่า ด้วยการที่ข้าพระเจ้ามาจุดให้แสงสว่างในสถานที่ที่บรรจุพระสาลีริกธาตนุนี้จงเป็นอนูภาพตามข้าพระเจ้าไปทุกพบทุกชาติให้ข้าพระเจ้ามีแสงสว่างในดวงภาาตําราว่ามีดวงตาเห็นธรรมในชาติได้ชาติหนึ่งในอ น, นาคต อันนี้เป็นวิธีพระอนุรุ ธ, ธาทำในชาตินั้นจนตลอดชีวิตเมื่อจุดเทียนบูชาถวายความสว่างบูชารพระสาลีริกทาตพระบิดาเจ้าองค์นั้นแล้วพระอนุรุ ธ, ธาเนี่ยในชาติต่างๆมาเกิดมีอะไรตามมามีเกิดมาแล้ว ตาก็จะไม่เคยเศ้ามองมัวมเศ้าตาตาก็จะไม่มัวไม่มองไม่เคยพูดให้ภาษาง่ายๆก็ไม่เคยตาบอดในเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดบ่อยๆนี่แล้วแต่ชาติไหนมันจะต่วให้ผลจากการกระทำของแต่ละชาติให้เราได้รับ ปานุรุตตหลังจากทำแล้วไปเกิดที่ไหนตาไม่เคยมัวไม่เคยเท่าหมองตาตาดีอยู่ตลอดจนมาถึงชาติสุดท้ายมาเกิดในตระกูลสากยะคือตระกูลพระเจ้าสุวโถธนะเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายแล้วอยู่ในเครือของพระจิตรัตถะมาเกิดในตระกูลนี้สากยะ ในสมัยขั้งพุทธกาลพอเกิดมาแล้วยังไม่ได้ออกบวชพร้บัจจิทตะเมื่อบัจจิตตะออกบวชบำเป็นบาลามีเต็มที่ตลามานตัวอยู่กี่ปีหกปีจึงได้จัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อจัตรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้จะทําให้ โลกมีความตึงตัวขึ้นแต่กุลสากะยะแม้แต่พระเจ้าสุโทปัญหาเป็นพระราชพิดีนี้ก็รอข่าวจะตอดวเวลาห้าหกปีเมื่อได้ข่าวว่าพระจิตตะทะลูกายของพระองค์ได้ดรัตรู้อนุตตลัมษณ์ธรรมโบธิยาณแล้วพวกก็รอเป้าอยู่เมื่อไรพระองค์ะงคจ ะ, สะเสด็จกรุงค บ, บิลาพัฒ เน่เวลาจะพันเทศแต่ละทีเนี่ยพระพุทธเจ้ามาได้ไปตามความรู้สึกของคนเท่าไรพระเจ้าสุดโตษนะเนี่ยทำอะไรบ้างพระเจ้าสุดโตษนาเนี่ก็ส่งทูษมากราบทูลพระพุทธเจ้าแต่เดชกงกบิลาพัทเนี่ยกี่รอบในตำราเนี่ยหลายรอบแต่และรอบเนี่ยต้องส่งมาเป็นพันคน ตรงไปเป็นพันคนแต่ละแต่ละชุดนี่พันคนไปถึงกรุงกราชจัเครื่ที่พระพุทธเจ้าเสดงประทับในเวรุวันในวัดพระปังเทศพันคนพอปังเทศจบหรือปังฑเทศพระพุทธเจา้ามันเข้าเป็นดวงจิตดวงใจรู้ตามพระพุทธเจ้าแสดงรู้ตามพระพุทธเจา้าเทศ เพราะสุดท้ายความคิดในอดีตจ้างหายไปหมดว่าใครท่งมาคิดไม่ได้ไม่ได้คิดเลยไปเสวรความทุขจากการฟังเทศหรือฟังพระพุทธเจ้าสอนเป็นพระรหันก็ไม่คิดถึงกรุงกับวิละพัดหายเหียบไปพระเจ้าสวดนะก็รอคอยต่อไปอีกเมื่้รอคอยต่อไปยน่นนานมาก็สรงไปอีก เมื่อส่งไปอีกส่งส่งละชุดละหนึ่งพันคนเนี่ยพอแปปันเทศตระพุทเจา้าเปี่ยนพระหาดทุกรุ่นถ้าพูดเนยมันตั้นหน่อยก็ส่งไปชุดที่หนึ่งก็หายไปเลยชุดที่สองก็หายไปเงียบไปจนถึงชุดที่แปดชุดที่เก้าพอชุดที่เก้าเนี่ยก็หายอีกพอชุดที่สิบนี่แล้วไปกล่อมใคร ชุดที่สิบเนี่ไปกล่องคนที่เกิดพร้อมพระจิตทัตตาการุธายีเป็นรุ่นเดียวกันกับพระจิธธตทัตตาโตมาด้วยกันเล่นมาด้วยกันแล้ว่างพิเศษว่าการุธายีตรงไปแล้วเนี่ยทวดขั้นที่สิบแปลวเธอจงนิมนต์พระ เศรษฐาหรือพระพุทธเจ้าให้กลับคงกลับบิณฑพัฒ์ให้ได้อันนี้เป็นรุ่นที่สิบเนี่ยสาขาะไปบวชเนี่ยพันคนกับพระสิรตฐาส่งไปหายเงียบพอการุธายีนี่ไปพระปันเทศเจ็ดก็ยังตั้งใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องทำนาที่นี้ให้เสร็จพอลาพระเจ้าสุตตนะ แต่และชุดก็ขอบวชไปด้วยไม่ได้ไปเพียพีไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเสร็จจัตตลุเสร็จผ่านพรรษาไปพอออกรรษามาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่าบลุทายยเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าถุโุปนะพระระาชดีดารอคอยมาเวลาท่านแล้ว ขอให้พระองค์สเสด็จกรุงกบิลละพัทให้เจ้ากุง้งกบิลละพัทพร้อมทั้งเครือญาติได้รับธรรมะจากพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเคยตัดพระทัยหรือตัดสินใจว่าต้องสเสด็จกรุงกบิลละพัทให้ได้อนอกปรรษาเจ็ดพระกาลุตายีก็ปรณนาการเดินทาง ยาวเท่าไรยาวเดินทางอยู่สามเดือนจึงเงกุ้งกับมีเลือพันในระยะสามเดือนที่เดินทางมาเนี่ยาการรู้ใอยู่จะทำอะไราการรู้ใีก็โทษที่พระอารหันเนี่ยกำหนดเข้าชาเร็วหาะไปในอาคาตง่ายๆไม่เหมือนคนทั่วไปไปแต่และครั้งนี่ก็ ไปตรงข่าวให้พระเจ้าโุตโธธนะนานโคจะมีทราบว่าพระองค์เสด็จแล้วจะมาถึงกุ้งกัพิลาพัทพระเจ้าโุตโธธนะก็ประกาศให้ชาวกุ้งกับพิลาพัทพร้อมทั้งกุ้งเทวทหารสองเมืองนี้เขาเป็นญาติพี่น้องกันในวงศ์ของสาคยะผลสุดท้ายก็หลอคลอยผลสุดท้ายก็ ประเด็จมาถึงกุุงกบิลลพัทแล้วด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วทำอะไรบ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วก็แสดงฤทธิ์ด้วยในยุคนั้นน่ะถ้าไม่แสดงฤทธิ้มีปัญหากับโทษทีคนประเทศอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้จะยอม ง, ง่ายง่ายต้องแสดงฤทธ แต่สดงฤทิ์ได้เห็นกับตาตาได้เห็นหูได้ปังแล้วจึงจะยอมปั่นเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงลิ์ในยุคนั้นเนี่ยทําให้อะไรเกิดขึ้นทําให้คนสองเมืองมาประชุมกันเตรียมที่แล้วพระองค์ก็ทําลิ์ให้เกิดขึ้นในฝนตกภาษาตําราก็เรียกว่า ผลโบกกรณีตกในยะจะทีะพพระพุทธเจ้าเสด็จมาร่วมพยาผลอันนี้มีแปลกแบบไหนแปลกที่สุดไม่เหมือนกับฝนตกธรรมดาธรรมด า, รรมดานี่โดนเราก็เปียกถ้าโบกกรณีเนี่ยไม่อยากเปียกก็ไม่ถูกฝนตกมาแล้วก็น้ำไม่กังในพื้นดิน อันนี้เป็นพิเศษพิเศษเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบารมีพระองค์สร้างมาเต็มที่ก็ได้เกิดพิดารณึ้นคนทั้งหลายก็อาจจะจันทั้งเมืองแต่นั้นเมื่อเห็นเรื่องพิจารณาเกิดขึ้นดังนั้นแล้วชาวกรุงอเิลพัธพร้อมทั้งกรุงเทวทหะจึงยอมที่จะฟังพระ ธรมะโคโดมหรือพระบุตรเจ้าเทศสอนตอนแล้วมีประโยชน์อะไรตอนแล้วก็มีประโยชน์เกิดขึ้นคือญาติทั้งหลายก็ถมัออกบวชหลายหลายคนก็บวชตามพระธรมะโคโดมผลุ้ดท้ายก็เดือดร้อนกับคนทั่วๆไปว่าโอ้พระธรมะโคโดมมาแต่ละครั้งเนี่คนออกบวช มากมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนจะมีต่อไปไหมทาให้คนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็มีพวกไม่เลื่อมใสคนจัวตายก็เป็นเหตุให้คนออกบวชอนุรุต้านี่ก็ไปหาชวนเพื่อนได้สองสามสี่ห้าคนก็ไปบวชเหมือนกันเพราะแม่ไม่อนุญาตให้บวชเพราะเป็นลูกคนที่แม่ธนุถนอม มาตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากอะไรเลยเมื่อไปบวชแล้วพระอนุรุธาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไปเจริญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้จักสุญาณภาษาธรรมาภภาษาทั่วไปก็เรียกว่ามีตาทิบมองได้ทารพัดัยางรู้ได้หมด ใกล้ค า, าพระพุทธเจ้ารู้อันนี้ตาทิพย์นั่งอยู่ที่ไหนก็มองเห็นหมดอันนี้อานุภาพที่เคยจุดเทียนปูชาอัตตาลีริกาตาพระพุทธเจ้าองนั้นมาเป็นเหตุดันั้นเราทั้งหลาย เ, ยเราก็เรียนแบบสาวกของพระพุทธเจ้าพอมีกิจกรรม ทางศาสนาเกิดขึ้นเราก็พยายามจะทำความดีบางอย่างให้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเราทั้งหลายวันนี้ได้จะไยเทียน ร, ร่วมกันทั้งหมดเพื่อจะไปให้พระจุดในเทศกาลเขา้าพรรษาในพรรานี้ถ้าพูดเป็นพิธีหน่อยก็เรียกว่าเรามีโอกาสมาทำความดี ให้เกิดขึ้นพิเศษในชีวิตเพราะชีวิตของแต่ละชีวิตเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอุคปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งป่วยสองไม่สบายสามอ้างเหตุโน่เหตุนี่แม้จะมีงานทางศาสนาเชิญมาร่วม ง, งานทําบุญก่อนที่จะเข้าพรรษาบางคนก็จะอ้างว่าโอ้ยมาไม่ได้ติดธุระ จำเป็นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ได้ประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกันในสถานที่แห่งนี้เขาเรียก TOT หรืออะไรนะ t ีโมาเป็น NT ครับหลวงปู่เป็น NT นทครับตอนนี้เป็น NT ็ t ทีเอ็นเครับ NT ็ t ทีอ็น เมื่อก่อนเป็นชุมนุมฟุตเทวทีเป็นบริษัทเทวทีนะครับปัจจุบันเป็นบริษัทธุรรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมาเจุลนิยมบริษัท ดังนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในบริษัทนี้ก็คิดตัวเองว่าปีหนึ่งผ่านไปเทศการเข้าภาษาก็มาถึงเราได้แต่ถ้ า, าเรายืนกติกาในจิตว่าปีไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเทศาการเกิดขึ้นประกอบพิธีทางศาสนาข้าพเจ้าจะไปร่วมพิธีให้ได้อันนี้ก็เป็นจุด หนึ่งที่มันจะเด่นในชีวิตทำให้จิตของเรามุ่ง ม, มั่นกับทำกับการทำความดีให้เกิดขึ้นในจิตของตัวเองดีกว่าให้คนมาชวนแต่ถ้าคนมาชวนนี่ก็อ่อนก่อนแล้วอ่อนกำลังลงปา้าตาทำลาก็เรียกว่าถ้ า, าเราคิดขึ้นเองไปทำด้วยตนเองนี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต แต่ถ้าฟังคนอี่นพูดสกปรกจะเกิดศัทธาเนี่ยมันก็อ่อนลงดีไม่ดีเหลือ 50% แเปอร์เซ็นตท่นั้นบุญมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราตั้งขึ้นภาษาตำราเรียกว่าจวนาจิตแรกที่มันเกิดขึ้นว่าพอสมยัมยปีใหม่ เข้าวภาษาปีใหม่นี้กูตั้งใจจะไปทําก่อนข้าวภาษาให้ได้อันนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นด้วยตนเองไม่ได้ให้ใครชวนแต่ถ้าหาให้ให้คนชวนเนี่ยจะเกิดภาษาตําลากหรือว่าสมปยุทธ์ด้วยเสียงที่เขามาชักชวนให้เกิดขึ้นเป็นกุศลอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีหนึ่ง ไม่ได้ฟังการชวนไม่มีกครชัดชวนเกิดขึ้นด้วยตนเองเขาวนาภาษาตำลา่ากลัวชาวนากิจที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลด้วยตนเองไม่ได้สำประโยชน์คือไม่ได้ฟังเสียงคนพูดให้ได้ยินเกิดขึ้นเองอันนี้พลังมากที่สดุดถ้าพูดภาษาบุญก็ได้บุญมากเต็มร้อยเปิดเต็ อันนี้มันเป็นวิธีที่ทำให้จิตมันบริสุธ์ต่างหากถ้าหากเราเกิดขึ้นด้วยตนเองคิดเองไปทำเองดีกว่าแล้วได้ผลเต็มที่แล้วก็ส่งไปยาวแต่ถ้าหากฟังคนอื่นพูดแล้วจึงเกิดขึ้นอันนี้มันจะประยชน์ ด, ด้วยเสียงเทก่อนจึงเกิดดังนั้นวิธีทำบุญมันมีวิธี ให้ได้บุญร้อยเปิดเจนได้อยู่ถ้าเราเกิดด้วยตนเองเกิดขึ้นด้วยตนเองไม่ได้ฟังเสียงคนพูดเขาเรียกว่าเจริญกิจแรกที่มันเกิดขึ้นมันมีแสงสว่างเหมือนฟ้าแลบไม่ต้องฟังใครพูดแสงสว่างก็เกิดขึ้นจากเกิตเมื่อเกิดมันมีแสงสว่างก็เป็นเหตุ ถ้าเราไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทบุญแบบอันนี้เราทั้งหลายได้มาประกอบพิธีแล้วบุญเป็นเหตุให้เรามีความสุขเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปทำความดีให้เกิดขึ้นโดยวิธีต่างๆความสุขก็เกิดขึ้นยากฉะนั้นวิธีเราจะได้บุญเราต้องเสียทละออกไปเสก่อน เราจึงจะมีความดีเกิดขึ้นภาษาทั่วแปลก็รู้ว่าไปทําบุญแล้วบุญเกิดขึ้นเพราะเกิดมีความดีเกิดขึ้นหนึ่งดีใจเกิดขึ้นสองมาประกอบพิธีแล้วก็มีความพอใจเกิดขึ้นทําพิธีจบลงแล้วก็ภูมิใจในวิธีนั้นเราก็จะได้บุญร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นวิธี ที่เกิดสัมปัสบุญได้ด้วยตนเองบุญมีอาการอยู่สามอย่างหนึ่งดีใจก่อนให้สองกำลังให้พอใจอยู่สามให้หลุดเมยไปแล้วภูมิใจในการกระทาอันนี้ไม่มีใครยกให้พระเม่ได้เอาบุญคืนไปให้เราจะเกิดอาการนี้เกิดขึ้นทั้งสามอย่างนี้ เราก็จะได้บุญเต็มร้อยเปิดเต็มแต่ใ น, นเมื่อเราทำบุญแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วเราได้บุญแล้วบุญส่งเราไปไหนทีเนี่ยเราบุญก็ส่งเราไปถ้าหากเรายังมีชีวิตยอยู่ก็จะมีความสุขในปัจจุบันชาตินี้ถ้ า, าเราหมดชีวิตในชาติปัจจุบันบุญส่งไปไหนส่งไปเกิดเป็นมนุษย์ ด่างน้อยถ้ามากกว่า น, นั้นหน่อยก็ไปเกิดบนสวรรค์บางชั้นอันนี้บุญส่งไปให้ให้เราไปสถานที่ที่เรามีความสุขหลังจากเราหมดอายุในเมืองมนุษย์แล้วถ้าหากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไปได้เะหวยวิบากจากการการะทำของตัวเองก็ามาเกิดเป็นมนุษย์ ความรู้สึกกับการทำความดีก็จะฝังอยู่ในเิีรตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีความใจมีความพอใจที่จะไปทำความดีเพิ่มให้ฐานเป็นรักษาสิ่ง่ายจดมน่นไหวพระสะดวกสบายขึ้นแต่ถ้าหากไปบนสวรรค์อยู่นานเพลินกลับไปอยู่เมืองสวรรค์ก็มีความสุขอยู่นาน แต่ต้าหากบางตำร า, าท่านเขาบอกว่าไปเกิดบนสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะสวรรค์เนี่ยเทียบเทบเทวดาทั้งหลายมันไม่ได้ไม่ได้มีความทุกข์แบบเราก่อนที่เราก่อนที่จะพัดภาคจากสวรรค์บางชันภาษาตำราเขาเรียกว่าเทวดามีความชิดไม่ปกติเกิดขึ้น ก็จะหลุดจากเทวดาหรือไม่ก็เครื่องใส่ต่อหมองก็หลุดจากเทวดาเทวดามาได้เข้าโรงพยาบาลเพอพะเทวดานี่จะหลุดง่ายเครื่องใส่ซ่อหมองดอกไม้ในมือถืออยู่เปลี่ยนสีหลุดจากเทวดาพอมาเกิดก็ถ้าเกิดเป็นมนุษเนี่ยตะกูลดีๆหน่อยความรู้สึ ก, กเกิดขึ้นตับ มีตัวอย่างเทเขาหลุดจากเทวดามามาเกิดมาเป็นมนุษย์เนยพอเกิดเป็นมนุษย์ความเคิดก็ยังผูกพันกับเทวดาฉันที่ตัวเองไปเกิดโอ้กูหลุดจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวทเทวเกิดมันเอาความดีที่เราทําไว้ในมนุษย์ในเมืองมนุษย์เลี่เป็นเหตุให้ส่งเราไปเกิดที่นู้นที่นี่ฉะ น, นั้นเราต้องพอใจตําความดีให้มันเกิดขึ้น เมืม่อมาเกิดเป็นมนุษย์ความคิดก็คิดว่าว่ากูมาจากสวรรค์ชั้นนี้ถ้า่างนั้นเราจาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะทำความดีต่อให้ทานกันง่ายรักษาเทียนก็สะดวกตรวจบ่นว่าพระนั่งภาวนาก็เป็นเหตุให้ทำได้ง่ายขึ้นเมืม่อมปเกิดแล้วเขาก็มีสติอยู่ตลอดเวลาว่าคิดถึงสวรรค์ชั้นที่ตัวเองเคยไปอยู่ ผลสุดท้ายว่าตถบุญอะรก็แล้วแต่เขาก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยการกระทำของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้ให้ตาหรักษาเจียนโทษผลไว้พระพาวดาเมื่ออายุครบร้อยปีเขาก็เสียชีวิตจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดบนสวรรค์เหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นเนี่ยภาษาตำราว่าตื่นขึ้นเจ็บโอ้อยู่บนสวรรค์แล้วเพื่อนอยู่บนสวรรค์อยู่สวรรค์นันสวรนเนี่ย เขายังมาด้วยกป่ า, าศาสตร์เขาก็มาถามว่าเอา้าเธอหายไปไหนเมื่อกี้แทบเดียวอ่ะในเมืองสวรรค์น่ะเ้าก็เลยถามว่าเธอหายไปไหนก็ลงไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เขามีอายุมากขนาดไหนมีอายุ ข, ข้าพเจ้านี่ยร้อยปีในเมืองมนุษย์เจริญชีวิตในเมืองมนุษย์แล้วก็ขึ้นมาบนนี้ถ้าบนสวรรค์ชั้นสารสวรนอันสวรรค์น่ะเพื่อนยังเหมือนเรียกป่ า, าศาสตร แต่ไม่ได้ครึ่งวันของบนสวรรค์แต่มนุษย์ได้ร้อยปีเทวดาก็ถามว่ามนุษย์เขาทําอะไรบ้างส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ทําบุญเท่าไหร่แตไปทำตามความรู้สึกของใจเองเขาเทวดาก็เรียกว่าถ้ า, างั้นมนุษย์ก็ประมาทมากให้เทวดาที่ตุดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็รับบอกว่าโอ้เทวมนุษย์เขาประมาทมากอยู่เพราะอายุ น้อยน้อยน่อยเดียวยังเพิ่มมาอยู่เลยดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบัยภูมิง่ายขึ้นเพราะการกระทําเป็นเหตุพระพุทธเจ้าสอนอยู่ตีที่ห้าปีเนี่ยสอนให้เจ้าพูดทั้งหลายให้ทําความดีทางกายต่างหวัวาจต่างใจของตัวเองเพื่อจะให้เป็นพื้นฐานหนักแน่น ในการที่จะไปเกิดกเจ็บตายในชาติต่อๆไปเพราะการเกิดเจ็บตายในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันกำหนดที่สุดยากที่สุดอันนี้พระพุธเจ้าตรึงว่าเรื่องต้นรากฏยากแม้แต่ทาไปก็หาที่สุดยากอันนี้มันยาวนานขนาดไหนอันนี้คำพระพุทธเจ้าตัดตอนนั้นเราทั้งหลายเนี่ยทานได้ รักษาเสีนเป็นถ้าบุญแล้วบุญท่งไปแต่ทีนี้ถ้าหากไปทำอะไรต่อถี่เนี่ยเราก็ไปรักษาเียนใน ม, มันได้เต็มที่ในชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะรักษาเสียนตอนไหนง่ายที่สุดรักษาเสียนหลวงปูงก แ, แลงได้บอกว่าให้ไปรักษาเสีนตอนก่อนนอนหลับกลางคืนทั้งคืนเนี่ย เราจะรักษาถิ่นอะไรเราก็รักษาถิ่นได้แต่ถ้ า, าเรามารักษาถิ่นตอนกลงวันเนี่ยมันประกอบสัมมอาชีพมันยากเพราะพุทธเจ้าชนคดธรรมดามันเข้าข้างตัวเองไม่ค่อยยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เดี๋ยวไปพูดหน่อยเดียวทุลรกจับกี้งมาเนี่ยพูดไม่ค่อยตรงตามคํำที่เขาพูดกันก็เป็นเหตุที้เส้นเศร้าหมอง ถึงไม่ขาดพระเท่ามองได้เพราะธนวิษีที่ดีที่ถุดที่ง่ายที่ถุดก่อ น, นอนแต่ละวันเนี่ยตั้งใจว่าตอนนี้อายุข้าพระเจ้าเท่านี้แล้วจัดปีไปก่นนอนทุกวันจนถึงวันจุดท้าเจรละโลกนี้ไปข้าพระเจ้าจะอธิษฐานสิเอ็นก่อนอนเนี่ยได้ทุกวันทุกวันเพราะอนุภาพสิเอ็นเนี่ย ส่งง่ายกาอนุภาพฐานะบา ร, รมีคือฐานอนุภาพเสีนียิ่งใหญ่ไปศาลในตำาตราท่านพราณาว่าถ้าหากเรามีศียนเป็นพื้นฐานเหมือนเรามีแผ่น ด, ดินที่เราเหยียบไปที่เรานั่งอยู่ที่เรานอนอยู่หนักแน่นขนาดไหนแผ่น ด, ดินหนักแน่นที่สุดแล้วแผ่น ด, ดินก็มีสถานที่ที่ให้จึงทั้งหลายเกิดได้ ไม่เลือกจัดมีชีวิตไม่มีชีวิตก็เกิดในแผ่นดินถ้าเรามีสีเราก็จะมีพื้นฐานยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเกิดมาเป็นชาพุทธถ้าเราหมดอายุในโลกมนุษย์แล้วเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ตามความต้องการของเราเราจะมีความสุขตลอดช่วอายุไขของเทวดาอายุไขของเทวดามันยาวเลยสามสิบห้าพัน อะไรสามสิบกอบล้านปีของมนุษย์่ะจึงเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งของเทวดามันยาวอันนั้นเมื่อไปเป็นเทวดาเราก็มีความสุขจุดเทวดายาวเพราะอานุภาพเสียนส่งให้ถ้าหากเราทําจานได้เป็นเหตุท่าไปเกิดในสถานที่ที่มีสมบัติเกิดได้ทานศียถ้าหากเรามีศียนเพืให้เต็มที่เราก็มีจะพร้อมทุกอย่าง สมบัติก็จะเกิดขึ้นเสียงก็เป็นเดชให้เรามีรูปร่างสดสวยงดงามถ้าใครอยากสวยอยากงามในอนาคตต่อก้อพยายามรักษาเสียงไปเกิดแล้วจะมีรูปสร่างสดสวยงดงามเหมือนสมัยอันทะไปบวชพระพุทธเจ้าเอานันทะไปดูสวันเทริญเนี่ยเห็นเทพธิดาดตั้งหลาย สดสวยงดงามเลยไม่คิดถึงเมืองมนุษย์อ่ะพ่อจ้องนันทะมีความคิดผูกพันกับนางกัลยาณนี่อยู่ในเมืองมนุษย์พระพุทธเจ้าเลยแก้วิธีไหนพระพุทธเจ้าก็รั้วอนุปาเพล็กก็พานันทะขึ้นไปดูสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นเนีถ้าคิดถึงเมืองมนุษย์แล้วถามนันทาว่าเป็นยังไงกับโลกมนุษย์นันทะบอกว่ามนุษย์ก็เหมือนนางลิงใน เหมือนนางวานนอสเนี่ยความคิดมันแก่เปลี่ยนถ้าไปเห็นสวยๆมนุษย์สวยๆเนี่ยก็สู้สวรรค์บางชั้นไม่ได้นั่นท้าก็เลยเป็นเหนตุถ้าไปผวดได้จะเป็นพระละหันกับพระพุทธเจ้าได้เพราะไปดูเมืองสวรรค์พระพุทธเจ้าพาไป อันนี้ถ้าเราอยากเป็นนางเทีเทพที่ดาวสวยๆเราก็รักษาสีเนี้ยเต็มที่ถ้าจะเราจะทําความดีพิเศษพิเศษลงไปทำอะไรเราก็ไปนั่งบวนาถ้านั่งาวนานี่เป็นอะไรสิเนี่ยนั่งบวนาก็เป็นฐานให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในโลกอันนี้เพราะโลกอันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว มันจะตั้งอยู่ชั่วขณะผลสุดท้าก็จะหลายตัวเป็นเหตุที่สดแต่ถ้าหากเราไปนั่งภาวนาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ไปตกนี้เราจะไม่ได้เข้าใจตามความเห็นของปุถุชนถ้าหากเราไปนั่งภาวนากิตสงบได้แต่ละครั้งความคิดก็เปลี่ยนเมื่อความคิดก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปจากอะไร เปลี่ยนไปจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างร่างกายของตัวเองในสิ่งทั้งหลายที่เป็นตัวบัตรของโลกจิต ก, ก็จะค่อยๆปล่อยวางจิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันอยู่กับโลกอันนี้เราจะไม่มีจิตผูกพันในโลกอันนี้อยู่เหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้าอยู่ในโลกนี้ทั้งก็อยู่ได้แต่ว่าจิตไม่ผูกพัน อยู่ในโลกอันนี้จิตมันเหนือโลกเหมือนท่านอุปมาเหมือนต้นไม้บางอย่างหรือดอกไม้บางอย่างมันเกิดในตมแต่ว่ามันบานแล้วมันไม่บุกกับตนหรือไม่คุกเข้ากับตนกับตมมันพ้นจากตมขึ้นมาพ้นเลยไม่ติดอยู่กับตมอันนี้เป็นภาษาตำราเขาอุปมาให้เหมือนจิตของเรา ที่เข้าสู่กัตถะต่ำของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมาได้ผูกพันอยู่ในโลกอันนี้แต่อยู่ในโลกอันนี้เจ็ดก็พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะมาได้ยึดมั่นถือมั่นแม้จะสิ่งทั้งหลายจะพรดตากจากเราไปเราก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในเจ็ศ เกตมันจะพ้นจากความยึดมันม่นือมั่นผูกพันในสิ่งทั้งหลายเมื่อสิ่งทั้งหลายมันเป็นของโลกเกศก็ถือจากโลกมันก็เลยไม่ผูกพันความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นจากเกต อันนี้เป็นวิธีที่เราไปนั่งหลับตาภาวนาพิจารณาจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเขาเป็นิ่งทัวมดที่ใช้กันอยู่ในโลกอันนี้เมื่อเกิดเข้าไปถึงสภาวะธรรมที่มันเป็นจริงตามคาสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปเป็นตัดาสกิตาคาณาคา ปัญโทาก็จบในสมัยที่เราฟังเทศของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเราก็จะได้รู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทางนี้เป็นเหตุที่เราจะได้แปะแป้งได้แปฟังเทศพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อฟังเทศพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วเราก็จะรู้ตามเห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า ริงทั้งหลายไม่เที่ยนริงทั้งหลายเป็นทุกข์ิงทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอยู่ตกอยู่ในลักษณะของพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจงอนัตตาอันนี้ถ้ า, าเราภาวนาก็จะไปทางนี้ ถ้าเราให้ทานก็ เ, เป็นเหตุให้มีสมบัติเกิดขึ้นในอนาคตในชาติ ต, าต่างๆถ้ า, าเรารักษาศีลทบุญในชาติปัจจุบันนี้มันก็ส่งผลให้เราไปเกิดเป็นเทพเจ้าเราเทาวาทั้งหลายมีรูปชัวร์งามมาเกิดเป็นเหมือนก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเป็นคนมีโรคน้อยแต่ถ้ า, าภาวนาตามคําสอนของพระเจ้า ถ้าเกิดรตสงบเข้าไปถึงกระแสธามของพระพุทธเจ้าแล้วความรู้พิเศษก็จะขึ้นในเจียติเจียตก็จะพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ตามความเป็นจริงเป็นเหตุาเราเป็นโสดาต ก, กิตาคาอนาคาตลอดจงสุนตธาเป็นพระสานเหมือนพระโกนัญญาฟังเทศพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก ในสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรธรรมมาสมโพธิญาณใหม่ๆ ม, มาเทศให้ปัญจวัคคีย์ปังโกลทัญญะรู้ตาเมหมือนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ประกาศตัวขึ้นมาว่าพุทธทังสารนังกัจจามิตํมเมงทะนังกัจจามิทั้งกัางทะนังกัจจามิขึ้นมาเองไม่มีใครสอนไม่มีใครบอก เกตุหลูตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะพูดคำนี้ขึ้นมาเองผลสุดท้ายก็ขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารุ่นแรกพระสมนะโคโดมก็ได้ปริวานพันธาแรกห้าองค์ห้าองค์นี้ก็ไปขยายคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนต่อไปก็ประกาศศาสนา พระตาจดาบพ้อมพระตาวกทั้งหลายประกาศคำสอนของพระองค์เมืะะ่อจัุลูอนุตราตรรมาธรมุติเจ้าแล้วก็วางคำสอนไว้ให้เจ้าพุทธทั้งหลายพระตาลรวมๆเขเรียกว่าพุทธบริษัทพระพุทธเจ้ามอบให้ประเภท นี่ให้รักษาคำสอนของพระองค์พุทธพระบริษัทธ์เทวบริษัททั้งสี่มีอะไรบ้างมีเพ็กโซมีเพกตูนิวบาจุกุบาติกาเจา้าบ้านทั้งหลายนี้แหละเป็นคนรักษาคำสอนของพระเจา้าทนะงคำสอนของพระเจ้ายาวมาถึงพวกเราในปัจจุบันชาตินี้เพราะ คนในบริษัททั้งสี่นี้เป็นคนรักกษาขนมซ้ำเนีมยมประเพณีกติกาทั้งหลายที่พระองค์หวางไว้ ฉังนั้นเราทั้งหลายมีอาบุญมีกุศลพิเศษพิเศษเราจึงได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราในยุคนี้รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้รุ่นต่อไปก็รักษาต่อไปคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะยังคงอยู่ตลอดชั่วห้าพันปีตามคําพยากรณ์ของพระเดชเจ้าอันนี้เราทั้งหลายที่ว่า มีความดีมีกุศลพิเศษได้เร่มาเกิดได้ทำตามคมสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขออนุภาพความดีบารมีที่เราทำมาให้ทานมาศักษาถินมาตรวจมดนั่งภาวนามา ตรงเป็นอนุภาพคุ้มกองรองรับรักษาให้ตายุคตายกาทั้งหลายมีความทุกข์กายสบายใจตลอดชั่วอายุขัยตลอดถึงอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าพระรัตนาตรัยตรงคุ้มครองรองรับรักษาเราทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นทุกปาตนา จึงใดขอได้ตามความปรารถนาขอให้เฉลือนดวอวนนษณษณ้วยอายุวันณาสุขาภละปฏิบานธนสารสมบัติตลอดช่วอายุไกทุกทุกตั้นทุกทุกคนด้วยเถิน